ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจำเป็นจะต้องสร้างธรรมะชนิดต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำลายในการกำจัดกิเลสตัณหา ตัวที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจในบรรดาธรรมต่างๆนี้มีธรรมหนึ่งที่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดนะยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดกว่าบรรดาธรรมทั้งปวงธรรมนั้นก็คือสติคำว่าสติก็คือการละเลึกรู้ การเลือกเลกรูกก้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าการมีสติสติก็มีหลายระดับด้วยกันระดับธรรมดาระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาการไม่ถ้าไม่มีสติในระดับใดระดับนั้นก็จะไม่สามารถ สร้างทำในระดับนั้นขึ้นมาได้ยกตัวอย่างสติผู้มีสติกับผู้ไม่มีสตินะฮะเช่นคนที่ไม่มีสติก็คือหนึ่งคนหลับเวลาหลับเราเรียกว่าไม่มีสติสองคนตายคนตายก็ไม่มีสติสามคนเดิมสุรายาเมาเมาสุรา สี่คนเสียสติคนบ้าคนเหล่านี้จะไม่สามารถทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้นี่ยกตัวอย่างของการไม่มีสติทีนี้สติของคนทั่วไปก็จะอยู่ในระดับฐานหรือศีลคนที่มีสติระดับฐานก็สามารถทำทานได้ ทำบุญทำทานอย่างญาติโยมวันนี้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานอันนี้ก็เรียกว่ามีสติในระดับการทำบุญทำทานแต่จะรักษาศีลได้หรือไม่ก็อยู่ที่สติระดับศีลว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีสติระดับศีลก็จะรักษาศีลห้าไม่ได้ ถ้ามีสติระดับศีลห้าก็รักษาศีลห้าได้ผู้ที่มีศีลห้าก็คือเป็นผู้ที่มีสติคอยระลึกรู้อยู่ว่ากำลังทําผิดศีลห้าหรือเปล่านี่ผู้ที่อยู่มีระดับทาทานมีสติระดับทาทานก็จะรู้ว่าวันนี้ได้ทําบุญทําทานหรือเปล่าเช่นได้ใส่บาตรหรือเปล่าได้ถวายสังฆทานหรือเปล่า นี่คือสติระดับต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงสุดคือระดับปัญญาสติปัญญาใช่สติสมาธิสติศีนสติทานตามปกติคนทั่วไปจะมีสติในระดับทานกับศีนกัน แต่ศีลอาจจะไม่ครบบริบูรณ์สติบางทีพังเผลอคนที่ทำผิดศีลก็ทำตอนที่พังเผลอนั่นเองตอนที่ไม่มีสติเช่นคนที่ดื่มสุรานี่มักจะทำผิดศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ดื่มสุราคนดื่มสุราแล้วเมาเนี่ยเดี๋ยวก็อาลวาดพูดจาเละเทะพูดจาหยาบคาย พูดอะไรไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาทนำไปสู่การทำร้ายร่างกายบางทีก็ถึงแก่ฆ่ากันตายเช่นเมาแล้วขับนี่ขับรถนี่ถ้ามถ้ามีสติจะไม่ขับถ้ารู้ว่าเมาแต่เวลาเมาไม่รู้ว่าเมาคิดว่าตนเองไม่เมา ก็ขับรถคิดว่าเหมือนตอนที่ตนเองไม่เมาขับไปด้วยความประมาทด้วยความเร็วสูงพอเกิดเหตุกระทันหันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็ประสบกับอุบัติเหตุทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือทําให้ตนเองเสียชีวิตนี่ก็คือการไม่มีสติในระดับศีล ระดับศีลก็มีหลายระดับศีลห้าศีล8ปดศีลสิบศีลสองยีิบเจ็ดเนเราจึงรักษาศีลสูงๆกันไม่ได้เพราะไม่มีกำลังสติพอที่จะควบคุมคอยห้ามปาม จ, จิตใจไม่ให้ไปละเมิดศีลข้อต่างๆได้นั่นเองนี่คือความสำคัญของสติ ไม่ว่าจะอยู่ในทานระดับไหนก็ต้องมีสติถึงจะสามารถทำทานทำทำธรรมปฏิบัติธรรมในขั้นนัน้นๆได้เช่นบางคนนี้ตอนนี้ยังอาจจะไม่ตื่นขึ้นมานอนดึกไม่มีสติยังสลบสลายอยู่จะลุกขึ้นมาทำบุญใส่บาตก็ทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอตกเย็นก็อยากจะเดินโสราขึ้นมา ก็ไม่มีสติคอยยับยังบางคนไม่มีสติในในการทำทานเลยไม่จะมีสติในการที่จะรักษาศีลเลยมีแต่สติที่จะไปเสพ บ, บายามุกเที่ยวกลางคืนเที่ยวดึกดึกดินๆดิด่มสรายาเมาเล่นการพนันประพฤติผิดประเวณีพอเดินขึ้นมานอนก็นอนดึกนอนเกือบสว่าง จะเตินขึ้นมาก็บ่ายสายดงจะไปทำบุญนี่ไม่ไม่เคยอยู่ในสมองอยู่ในความคิดจะรักษาศีลไม่มีอยู่ในความคิดเลยเพราะไม่มีสติการที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ดีก็เพราะไม่มีสติในการอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังเทศฟังธรรมการจะฟังเทศฟังธรรมให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ การจะอ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้รู้ความรู้ทางธรรมถ้าไม่มีสติอ่านก็ไม่รู้เรื่องอ่านแล้วใจลอยอ่านไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปฟังเทศก็ฟังไปแต่ใจก็ลอยคิดถึงคนนั้นคนนี้นี่ก็คือลักษณะของการไ ม, มมาไม่มีสติในการฟังหรือในการอ่านอันนี้ระดับปัญญา ต้องใช้สติมากมากกว่าระดับอื่นนี่นะคือสติที่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมต่างๆพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสตินี้เป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้จะเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่า ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่จะมีรอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ชนิดอื่นได้หมดสติเป็นรอยเท้าช้างเป็นตัวที่ใหญ่ที่สำคัญที่สุดผู้ที่ปรารถนาที่จะพัฒนาธรรมระดับต่างๆจำเป็นต้องหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆ ให้มีสติคอยควบคุมใจสติคือผู้คอยควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดหรือให้คิดไปในทางที่ถูกที่ควรต้องมีสติสติเป็นถ้าเป็นเรือเรือใบก็ต้องมีหางเสือถ้าไม่มีหางเสือเรือมันก็จะไปตามกระแสน้ำกระแสลมไม่สามารถที่จะบังคับให้มัน ไปในทิศทางที่ต้องการไปได้แต่ถ้ามีหางเสือคอยคัดเลือให้ไปในทิศทางที่ต้องการมันก็จะไปได้ใจของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนเรือใบถ้าเราไม่มีสติก็เหมือนกับคนที่ปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ใจเราก็มีอารมณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไป ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็จะไหลไปตามอารมณ์วันไหนวันใดอารมณ์เป็นอย่างไรก็จะไปอย่างนั้นอารมณ์ดีก็จะไปก็จะคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่ถ้าเรามีสตินี้เราสามารถที่จะมายับยัง้งอารมณ์ไม่ดีได้ เวลามีอารมณ์ไม่ดีคิดไม่ดีพูดจับคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีเราก็หยุดมันได้ใช้สติหยุดอารมณ์ไม่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปพูดไม่ดีทาไม่ดีนี่คือความสำคัญของสติถ้าเรายังควบคุมกายวาจาใจของเราไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสติพอ สติมีน้อยควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่อีกละลือควบคุมได้ในเวลาหนึ่งเวลาที่จิตใจเป็นปกติตอนที่จิตใจไม่มีอารมณ์เสียเวลามีอารมณ์เสียมักจะยับยั้งจิตใจไม่ได้เวลารู้แก่โทสะโมหะรู้กแก่โลภะเนี่ยใจจะ คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีขึ้นมาทันทีแล้วก็จะปล่อยให้ออกมาทางกายทางวาจาแต่ถ้ามีสตินี่สามารถที่จะยับยั้งได้เวลาลูกแก่โลภะก็หยุดมันลูกแก่โทสะก็หยุดมันเวลาลูกแก่โมหะก็หยุดมันได้ด้วยด้วยสติ ถึงแม้จะรู้ผิดรู้ถูกก็ตามถึงแม้จะมีปัญญารู้ว่าพูดอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีแต่ถ้าไม่มีสติบางทีก็ยับยั้งไม่ได้เวลาโกรธขึ้นมามากๆหรืออยากได้อะไรมามากๆบางทีก็รู้ว่าไม่ดีที่จะไปทำผิดศีลแต่ก็หักห้ามจิตใจไม่ได้ ก็ไม่มีสติที่จะเป็นตัวคอยหาห้ามนั่นเองอ น, นี่ระดับการกระทําและระดับสมาธิก็ระดับหยุดให้มันระดับที่จะหยุดจิตไม่ให้คิดไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้ใหลงอันนี้ก็ต้องใช้สติที่มีกำลังมากถึงจะสามารถที่จะควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้หยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงได้ ก็ต้องมีสตินะถ้าไม่มีสตินี้หยุดไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิได้เดี๋ยวเดียวก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะความคิดมันอยากจะลุกไม่อยากจะนั่งต่อไปนั่งแล้วเกิดอาการอึดอาดตรงนั้นอึดอาดตรงนี้นั่งแล้วไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความสุขก็เพราะว่าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมความอยาก ที่กำลังผิดความรู้สึกอึดอัดรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกลำคาญ ร, รู้สึกไม่มีความสุขจากการนั่ง <c oughs> นี่เป็นตัวอย่างของสติชนิดต่างๆพระพุทธเจ้าบอกสตินี้จําเป็นในทุกกรณีในการที่จะทําอะไรนี่จะต้องมีสติถึงจะทําได้กอนเสียสตินี้ทาอะไรไม่ได้ เราไม่ค่อยหวังอะไรจากคนที่เสียสติเท่าไหร่จะไม่จ้างเขามาทํางานหรือว่าจ้างมาก็ทํางานไม่ได้บอกให้ทํางานนี้เดี๋ยวก็เผลอไปเล่นไปทําอะไรตามความรู้สึกก่อนที่ไม่มีสติคนเสียสตินี้ทําอะไรตามอารมณ์ตามความรู้สึกนึกคิดจะไม่สามารถควบคุมให้ทําในสิ่งที่ต้องทําได้ เพราะไม่มีสติเป็นตัวที่จะมาคอยดึงใจให้มาทำปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสความรู้สึกอยากจะทำก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่ทำอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้อยากจะหัวเราะก็หัวเราะอยากจ ะ, ะกระโดดโน้ตเต้นอยากจะทำอะไรก็ทาไปตามความอยากนี่คือลักษณะของคนเสียสติ เราจึงไม่ค่อยหวังอะไรจากคนเสียสติมากเพราะรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้ <c oughs> นี่คือตัวอย่างของการมีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสติก็จะสามารถควบคุมบังคับให้ใจทําในสิ่งที่ต้องทํากันคนที่มีสติเป็นปกติก็สามารถควบคุมให้ ดูแลเลี้ยงดูร่างกายของตนเองได้สามารถให้ไปโรงเรียนได้ให้เรียนถึงขั้นสูงๆได้พอจบก็สามารถให้ไปทํางานทําการเพื่อหารายได้ได้อันนี้ก็เป็นระดับปกติแล้วก็สามารถที่จะควบคุมห้ามปาม่าทาในสิ่งที่ ไม่ถูกต้องได้อันนี้ก็อาจจะมีไม่ไม่เหมือนกันบางคนก็ทำไม่ได้ก็มีบางคนก็ไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายนั่นก็แสดงว่าไม่มีสติพอที่จะยับยัง้งห้ามปลามจิตใจหรือไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ว่าการกระทำชนิดไหนควรจะกระทำ ความการกระทาชนิดไหนไม่ควรกระทำอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความรู้ด้วยแล้วก็อยู่ที่สติด้วยแต่ถ้ารู้ว่าไม่ควรกระทาแต่ไม่มีสตกิก็ยับยังไม่ได้ก็ฝืนทมเพราะความอยากหรือความโกรธมันจะทำให้ไม่มีความกาลังที่จะสู้สู้กับความ ความโลภความโกรธได้อันนี้แต่ถ้าคนมีสติมากๆนี่จะสู้ได้พอรู้ว่าไม่ถูกต้องก็ไม่เอาเลยต่อให้ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่เอาแต่บางคนนี่พอมีเงินมาล่อให้เกิดความโลภขึ้นมาก็บางทีก็ห้ามไม่ได้พอเกิดความโลภขึ้นมาแล้วสติมีกำลังสู้ความโลภไม่ได้ ก็ความโลภ ก, ก็จะดึงไปทำในสิ่งที่เสียหายในสิ่งที่ไม่ชอบได้นี่คือเรื่องของสติแล้วก็เรื่องของปัญญาปัญญาก็ต้องอาศัยมีสติถึงจะสามารถทำตามปัญญาได้ปัญญารู้ว่าทำผิดกฎหมายไม่ดีแต่ถ้าไม่มีสติคอยทำตามที่ปัญญาบอก ก็ยังสามารถที่จะไปทำผิดกฎหมายได้ไปทำผิดศีลธรรมได้ถึงแม้จะมีปัญญาหรือว่ า, าการฆ่าไม่ดีการลักทรัพย์ไม่ดีการประพฤติผิดประเวณีไม่ดีการดื่มสุราไม่ดีการพูดปดไม่ดีแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ถ้าสติไม่มีกำลังมากกว่าความอยากก็กหยุดไม่ได้ ความอยากก็จะแหกแหกศีลและทำไปแหกกฎหมายไปนี่แต่ถ้ามีสติพอรู้ว่าไม่ดีก็หยุดได้ห้ามได้ไม่ทำถ้าห้ามไม่ได้ก็แสดงว่าสติไม่พอถึงแม้จะมีปัญญามีความรู้ว่าการกระทาแบบนี้ไม่ดีแต่ก็ถ้าไม่มีสติปัญญาก็ไร้ความหมาย เห็นปัญญาที่มีประโยชน์อต้องมีเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยสติถ้าเป็นปัญญาที่ไม่ได้ประกอบด้วยสติสติไม่มีกําลังพอปัญญาบอกว่าไม่ให้ทําก็ยังฝืนทํากันได้เนี่ยเราทุกคนเกิดมาในสังคมเขาก็เราได้รับเรียนวามรู้เรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องศีลธรรมกัน ได้รับการอบรมกันแต่ทำไมก็ยังมีคนแหกกฏยังสามารถไปทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมได้ก็เพราะว่าสติเขามีกำลังไม่พอที่จะสู้กับความอยากที่จะไปทำผิดนั่นเองแต่คนที่มีสติมีกำลังพอก็สามารถที่จะห้ามปลามจิตใจไม่ให้ไปทำผิดได้ไม่ให้ไปทำผิดกฎหมายไม่ให้ไปทำผิดศีลผิดธรรม อันนี้เป็นเรื่องของสติที่เป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นสอนให้ปฏิบัติสติกันก่อนคือให้มีสติให้ความสําคัญให้น้ําหนักต่อสติมากกว่าธรรมอย่างอื่นเพราะธรรมอย่างอื่นจะปรากฏขึ้นมาได้จะเป็น ประโยชน์ได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้คอยกํากับทำอะไรต้องมีสติสอนให้ฝึกสติอยู่ทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวการทำอะไรอย่างระมัดระวังนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้มีสติเวลาที่เราทำอะไรระมัดระวังเราต้องจดจ่อจริงๆเช่นพระกรรมฐานนี่จะถูกสอนเวลาทำอะไรไม่ส่งเสียงดัง จะยกจะวางของอะไรนี่มาให้มีเสียงกระแทก ก, กระทึกคึกคร่อมคนที่จะทำแบบเงี ย, งยบๆได้นี่ต้องมีสติมากต้องคอยเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของมือของไม้กับสิ่งที่กาลังทำอยู่ถ้าทำแบบเสียงกระทึรกคึกครอมนี่เสียงทาทแบบไม่มีสติ มีสติแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่พอที่จะทำให้ทำแบบเงียบได้สังเกตดูถ้าไปวัดป่าวัดอะไรนี่การกระทรําะนต่างๆนี้จะเงียบไม่มีเสียงกระทบของภาชนะต่างๆแล้วก็แม้กระทั่งคนก็ไม่มีเสียงไม่มีการพูดไม่มีการคุยกันอันนี้ต้องมีสติถึงจะสามารถ ควบคุปการกระทําต่างๆไม่ให้มีเสียงดังได้การกระทําะไรด้วยความระมัดระวังนี้เป็นการให้มีสติอย่างหนึ่งพระที่ปฏิบัติบางทีต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาไปอยู่ที่มันน่าหวาดกลัวมีภัยรอบด้านจะทําให้มีสติง่ายกว่าอยู่ที่ปลอดภยัย ก็อยู่ที่มีภายรอบด้านนี้เวลาจะเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนี้ต้องรอบคอบต้องคอยดูหน้าดูหลังไม่ได้ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาส่วนร่างกายก็เดินไปเดินชนสิ่งนั้นเตะสิ่งนี้ถ้าอยู่ในปาน่าต้องคอยเดินทุกทุกย่างก้าวเลยว่าก้าวข้างหน้านี้มีอะไรจะให้เหยียบหรือเปล่ามีงูมีตะขาบมีอะไรหรือเปล่า อันนี้แหละเป็นการฝึกสติเนี่ยพระที่ต้องการสติจึงมกักต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ในที่ที่มีภัยต่างๆก็ะจะทำให้มีความระมัดระวังความระมัดระวังนี้ก็คือสติต้องคอยดูอยู่ทุกเวลาจะปล่อยให้ใจอลอยไปลอยมาไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้ ถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยมักจะลอยไปลอยมาเพราะไม่มีอะไรต้องคอยระวังอะที่ปลอดภัยรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องคอยระวังก็เลยปล่อยใจให้คิดเลื่อยเปยื่อยไปอยู่กับความคิดไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายาสติเลยไม่ค่อยมีกันผู้ที่อยากได้สติจึงมักจะไปอยู่ที่หน้ากลัวหน้าหวาดเสียว ไปอยู่ในป่าช้านี่ก็จะหวาดกลัวอยู่กับผีกับอะไรอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ต้องมีสติมากคอยควบคุมความคิดที่ไปสร้างผีสร้างความหวาดกลัวขึ้นมาหลอกใจเองต้องคอยหยุดมันอันนี้ก็เป็นการฝึกสติสร้างสติก็มีสติถ้ามีสติแล้วจะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ จะไม่มีจะไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่องราวมาหลอกตัวเองแต่ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวโดนจิตใจหลอกตัวเองหลอกว่าเดี๋ยวมีผีมาแล้วเดี๋ยวมีนั่นมีนี่มาแล้วทั้งๆทงี่ไม่มีอะไรเป็นเพียงแต่ความคิดหลอกตัวเองแล้วก็สู้ความคิดไม่ได้บางทีก็ต้องหนีต้อง นีไปอยู่ที่หน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวไม่ได้เพราะมันรู้สึกทรมานใจแต่ถ้ามีสติแล้วระงรับความทรมานใจได้ระงรับความคิดปรุงแต่งต่างๆได้นี่ผนะู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องการควบคุมความคิดควบคุมความอยากจึงมากต้องไปหาสถานที่ที่เอื้อต่อการเจริญสติ เพราะเมื่อมีสติแล้วสามารถค ว, ค, ควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้แล้วแลวลานั่งสมาธิก็ง่ายนั่งห้านาทีสิบนาทีเจิตก็สงบไม่คิดปรุงแต่งแต่ถ้าควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ได้นั่งไปเป็นชั่วโมงก็ไม่สงบนั่งไปก็ยังคิดนูน่นคิดนี่อยู่อ น, นเดี๋ยวนั่งไม่ได้นานก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเดินก็ยังลอยไปลอยมาอยู่ อันนี้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเบื้องต้นกันจิตใจไม่มีค่อยมีสติไม่มีกําลังที่จะควบคุมความคิดปรุงแต่งของจิตใจได้ก็จะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้ในเบื้องต้นเลยต้องพยายามฝึกสติให้มากให้บ่อยมันควบคุมใจถ้าไปอยู่ที่มันมีภัยรอบด้านมันก็จะทำให้ มีสติได้ง่ายมันถูกบังคับให้มีโดยอัตโนมัติจะไปเดินเ อ, อ้อระเหยลอยลมไม่ได้จะต้องระมัดระวังจู่ตลอดเวลายิ่งถ้าเดินยามค่ําคืนได้เยิ่งต้องระมัดระวังใหญ่ถ้าไม่ใช้ไฟนี้ยิ่งยิ่งระวังใหญ่อันนี้เป็นวิธีฝึกจิตฝึกสติกัน ถ้าฝึกสติในที่ปกติธรรมดานี้มันจะยากต่อการเจริญสติขึ้นมาผู้ที่ต้องการสติจึงมักจะต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามป่าชา้าหรือไปอยู่กับผู้ที่เขาฝึกสติกันเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดที่มีพระปฏิบัติ เวลาทํากิจกรรมร่วมกันจะสังเกตว่าท่านนีาทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยความสงบจิตใจต้องคอยดูการกระทาแม้แต่เวลาฉันนี่ท่านก็ไม่ให้มีเสียงดังแม้แต่เสียงเคี้ยวกุบกรับกุบ ก, ก, กับนี่ก็ต้องคอยระวังว่าเวลานั่งฉันเงียบๆนี่เวลาเคี้ยวของกรอบๆนี่ได้ยินกันทั้งทั้งศาลาเลย ลองกินของกรอบๆดูสิพระที่ที่มีสตินี้พอเสียงนังกรอบๆในคนอื่นพระองค์อื่นจะหันมามองทันทีอจะต้องเคี้ยวแบบกรุบแล้วก็หยุดก่อนแล้วก็กรุบนานๆก็ค่อยกรุบพอจะแสดงว่ากําลังฉันด้วยสติถ้าฉันด้วยมีสติมันก็เคี้ยวมั น, นกับกาลังมันมันก็เคี้ยวกิน จะรู้เลยว่ากําลังฉันแบบมีสติหรือฉันแบบไม่มีสติถ้าฉันแบบมีสตินี้จะต้องระวังไม่มีเสียงถ้ามีเสียงก็ต้องคล้ายๆว่าอาต้องมีจังหวะ <c oughs> <c oughs> กรอบทีหนึ่งแล้วก็มองซ้ายมองขวาย <c oughs> แล้วค่อยกรอกอีกทีหนึ่งหรือถ้าบางทีมันยุ่งยากก็ไม่กินมันเลยดีกว่ากินของที่ไม่มีเสียงดีกว่า ช้อนก็เหมือนกันช้อนตักในบาทก็ไม่ให้มีเสียงกระท้อบาตรกุ๊กกิ๊กก๊กิ๊กนี่ไม่ได้แสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสตินี่ต้องไม่มีเสีย ง, ยางการปฏิบัตินี่การกระทาอะไรที่มีเสียงนี่มักจะแสดงว่าขาดสตินอกจากมันเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีเสียงเช่นเวลาก่าดลานวัดนี่ เสียงไม่กวาดกวาดกับพื้นนี่มันต้องมีเสียงอันนี้ก็ช่วยไม่ได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมีสติแล้วไม่มีสติแต่เรื่องที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วมีอันนั้นถึงจะถือว่าเป็นเรื่องของการมีสติแล้วไม่มีสติต้องฝึกสติเนี่ยต้องไปหาที่ที่มันเอื้อต่อการจเจริญสติ ไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขานี่จะต้องระมัดระวังเปิดหน้าต่างปิดประตูนี่ไม่ให้เสียงดังปึ้งปังต้องเงียบก่อนเกินใส่นี่ต้องใส่แบบเงียบๆคนไม่รู้ไปใหม่ๆนี่ก็ปิดหน้าต่างที่ปึ้งปิดประตูที่ปึ้งคนอยู่กุฏิไกลๆย่านได้ยินเสียงก็ธรรมดาอยู่ในบ้านในเมืองมักจะทาแบบนี้กัน เปิดประตูเปิดหน้าต่างทำอะไรนี่เสียงเอื้อดึงเสียงปึงปังพอเสียงมันดังรอบบ้านอยู่แล้วปึงปังก็ไม่มีใครได้ยิน mm hmm. พอมีเสียงรถมีเสียงอะไรเต็มไปหมด mm hmm. แล้วก็เป็นนิสัยของคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมมักจะทาอะไรไม่ค่อยระมัดระวังเท่าที่ควรระมัดระวังในระดับหนึ่งแต่ไม่ ไม่ไม่ได้ในระดับของที่ที่ที่มีสติเต็มที่เนีถ้ามีสติเต็มที่ปิดประตูปิดหน้าต่างนี้จะต้องไม่มีเสียงหรือมีเสียงให้เบาที่สุดถ้าจำเป็นต้องมีเสียงก็ให้เบาที่สุดให้ค่อยที่สุดทำอะไรทำกับข้าก็ไม่ก็กร ะ, ะทะทัผีกับหมอ้อบุ้งปางโป้งปัง นี่แสดงว่าทำทำด้วยความระมัดระวังหรือไม่ระัดระวังความระมัดร ะ, ว, ว, ะ, ดระวังนี่แหละเป็นการเจริญสติอันนี้ก็พูดวิธีเรื่องของการเจริญสติต่างๆให้ทราบให้เห็นว่าให้เห็นความสําคัญเพราะถ้าไม่มีสติเนี่ยการที่จะทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจนี่ จะทําไม่ได้เอคนไม่มีสตินี่คนเสียสตินี่ก็ไม่มีทางที่จะทําอะไรที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจจะทําบุญก็ไม่ได้จะรักษาศีลก็ไม่ได้จะนั่งสมาธิก็ไม่ได้จะฟังธรรมก็ไม่ได้ฉอนั้นต้องมีสติเอขั้นตอนก็มีสติพอที่จะเออ ทำบุญได้พอที่จะรักษาสีลได้บ้างอาจจะอาจจะไม่ได้ครบทุกเวลานาะทีก็ตามก็ให้สามารถรักษาให้ได้มากเท่าที่จะสามารถรักษาได้แล้วก็ให้มีสติในการศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเพราะถ้าไม่มีธรรมะก็จะไม่รู้เรื่องของธรรมะจะไม่รู้วิธีที่จะพัฒนาจิตใจ ที่จะทําให้จิตใจนั้นอกําจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปอที่จะทําให้จิตใจนี้ปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอันนี้ต้องอาศัยสติหลายระดับด้วยกันอาศัยสติระดับแรกก็ให้มีสติที่จะรับรู้เรื่องธรรมะได้ เช่นฟังเทศฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะได้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจในสิ่งที่ได้อ่านให้รู้ว่าธรรมะสอนให้เราทําอะไรบ้างนี่เป็นระดับต้นในการที่เราจะพัฒนาจิตใจในการที่จะพาจิตใจให้เราขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคล ให้สู่การสิ้นสุดของความทุกข์นี่ต้องมีสติในการที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้ธรรมะระดับต่างๆถ้าไม่อ่านหนังสือธรรมะแล้วไม่เข้าใจฟังเทศแล้วไม่เข้าใจนี่ก็แสดงว่าไม่มีสติพอต้องพยายามฝึกสติต้องพยายามหัดบังคับให้ฟังอยู่เรื่อยๆ ตอนตน้นถ้าฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ฟังแล้วใจไม่ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังอยู่กับเสียงที่กำลังได้ยินจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาไม่เข้าใจก็ฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ หรือถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามได้ถามผู้ที่รู้ทำถามคำถามถ้าท่านเห็นว่าเป็นคำถามที่ควรที่จะอธิบายก็จะอธิบายให้ฟังคำถามบางอย่างก็ไม่เป็นคำถามที่ควรจะรู้ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ความรู้นี่มีความรู้สองแบบความรู้ที่จำเป็นต้องรู้ความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องไม่ต้องรู้ก็ได้ เช่นความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้เนี่ยก็คือเรื่องของอจินไตยต่างๆเรื่องของโลกนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่อนาคตของโลกจะเป็นอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องไปรู้ก็ได้โลกมันจะเกิดมาจากอะไรใครสร้างหรือไม่มีใครสร้างมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่อง เรื่องของความสามารถของพระพุทธเจ้าว่าท่านเก่งอย่างไรเรื่องของอที่เรียกว่าอจินไตเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องด้วยกันเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความสามารถของปุตุชนธรรมดาที่จะเข้าใจได้ก็ยังไม่ต้องไปรู้สิ่งที่เราควรจะรู้ก็คืออว่าทุกข์ของเราเกิดจากอะไรเออ แล้วจะดับความทุกข์ของเราได้อย่างไรให้รู้แค่นี้ก็พอความรู้อย่างอื่นไม่ต้องไปกังวลเหมือนกับมีนิทานในพุทธการที่เล่าเรื่องของคนที่ถูกยิงด้วยธนูพมีคนเขาจะมาช่วยดึงธนูออกแล้วรักษาแผลให้ เขาก็บอกว่าอยากพึ่งทําอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนยิงเราช่วยไปสอบถามดูว่าใครเป็นคนเป็นเพศอะไรเป็นหญิงเป็นชายเอมีฐานะอย่างไรเป็นพราหมณ์หรือเป็นเป็นเป็นอะไรอแล้วก็ธนูนี้ทําด้วยไม้ชนิดไหนเอหัวธนูนี้ทําด้วยโลหะชนิดไหน ขนนกนี้ใช้ขนนกชนิดไหนถ้าไปหาความรู้เหล่านี้ก็ตายพอดีให้รีบรักษาแผลดีกว่าที่มันเกิดจากการถูกยิงด้วยธนูให้เขาช่วยถอนธนูออกแล้วก็หายามารักษาดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้ว่าจะรักษายัางไงให้มันหายเขาก็บอกว่าต้องดึงธนูออกก่อน แล้วก็ต้องหยุดเลือดห้ามเลือดห้ามเสร็จแล้วก็ต้องใส่ยาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายส่วนคนยิงเราเป็นใครนี่ไม่ไม่สําคัญรู้ก็เท่านั้นไม่รู้ก็เท่านั้นถ้าไม่รักษาก็ตายอันนี้คือเรื่องของความรู้ที่บางคนนี้พอคิดว่าต้องรู้ก็เลยคิดว่ารู้มากอืม รู้มากจนไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นม า, าให้รู้ในวงนแคบดีกว่ารู้ในเรื่องที่ควรจะรู้รู้เรื่องทุกต้นรู้เรื่องต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรรู้เรื่องของการที่จะกำจัดความทุกข์นี้ให้หมดไปจากใจด้วยวิธีใดให้รู้เท่านี้ก็พอเพราะสิ่งที่มันเป็นปัญหากับเรามันก็คือความทุกข์นี่เอง ความทุกข์ทางใจนความทุกข์ทางกายด้วยเอความทุกข์ทางกายนี้เราก็พอจะรู้กันเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องง่ายนัางกายทุกข์เพราะขาดปัดจจัยสี่พอมีปัจจัยสี่มันก็หายทุกข์เราทุกคนจึงมีมีปัจจัยสี่กันเรารู้จักวิธีหาปัจจัยสี่กันะ หาอาหารหาเครื่องนุ่งห่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยให้กับร่างกายความทุกข์องทางร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหากับพวกเรามากนะไอตัวที่เป็นปัญหากับเรามากก็คือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี้เราไม่รู้กันว่ามันเกิดจากอะไรอะไรจึงทำให้เราต้องทุกข์ทำไมเราต้องทุกข์กับความแก่ ทำไมเราต้องทุกข์กับความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายทำไมเราต้องทุกข์กับความตายทำไมต้องทุกข์กับการพัดภาคจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักไปอันนี้ให้มารู้ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้ถ้าเรารู้ต้นเหตุว่าอะไรทําให้เป็นใจเราทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้เราก็ถ้าเรากบจัดเหตุนี้ได้ทุกข์มันก็ต้องหายไป พอนนี้เป็นเรื่องของเหตุผลเหตุเป็นตัวที่สร้างปัญสร้างให้เกิดปัญหาวิธีที่จะให้ปัญหาหมดก็คือต้องหยุดเหตุนั้นกำจัดเหตุนั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถึงมีมากมายถึงแปดหมืนสี่พันธรรมบทนะแต่ทุกเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการ เรื่องของความทุกข์เรื่องของเหตุของความทุกข์เรื่องของการกําจัดความทุกข์ว่าให้กําจัดอย่างไรให้มันหมดสิ้นไปจากใจนี่ยมีเท่านี้พระพุทธเจ้าไม่สอนอะไรมากไปกว่า น, นั้นถึงแม้ว่ามีความรู้มากมายพระองค์ก็ทรงไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้ฟังอย่างพระองค์ก็หยิบใบไม้ขึ้นมาในกํามือหนึ่งแล้วก็ถามพระภิกษุว่า ใบไม้ในกามือของเรานี้กับใบไม้ที่อยู่ในป่านี้อันไหนจะมากกว่ากันพระก็ต้องบอกว่ามันในป่ามันก็ต้องมากกว่าใบไม้ที่อยู่ในกำมือสิพระพุทธเจ้าบอกฉันใดความรู้ที่เรารู้นี่มันเหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในป่าเรารู้อะไรมากมายแต่มันไม่เป็นประโยชน์กับพวกเธอพูดไปเล่าไปให้ฟังมันก็ไม่ได้ทาให้เกิดประโยชน์อะไร สำรับในการที่จะมาแก้ปัญหาของพวกเธอคือปัญหาของความทุกข์ใจปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยความรู้ต่างๆที่รู้นี่พระพุทธเจ้ารู้มากแต่เป็นความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการที่จะมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจพระพุทธเจ้าจึงมักไม่ค่อยสอนเรื่องราวต่างๆไม่สอนว่าโลกนี้เกิดมาได้ยังไงจะอยู่ไปอีกเท่าไหร่ ทันไม่สอนสอนแต่วิธีกาจัดความทุกข์ว่าให้กาจัดอย่างไรให้ไปกาจัดที่เหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์คืออะไรพอรู้เหตุแล้วก็กาจัดมันเท่านั้นเองมันก็จะหายทุกได้นี่คือทำไมเราจึงต้องฟังเทศฟังธรรมก่อน เพราะว่าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าความทุกข์ของใจเกิดจากอะไรและวิธีที่จะดับความทุกข์ของใจนี้ดับได้อย่างไรความทุกข์ทางร่างกายเรารู้กันมีหมอมีพยาบาลมีครูมีอาจารย์มีพ่อมีแม่สอนเราสอนให้เรากินข้าวตั้งแต่ออกมาจากท้องเลยใช่ไหมถ้าไม่กินเดี๋ยวก็หิวแล้วหิวก็ทุกข์ทางกาย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้หายามากินถ้าร่างกายไม่สบายเพราะความหนาวเย็นก็ให้ห่มผ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้จักวิธีบำบัดกำจัดความทุกข์ทางร่างกายกันแต่เรื่องการกำจัดความทุกข์ทางใจนี้เราไม่ค่อยรู้กัน รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่รู้ไม่มากกำจัดได้บ้างกำจัดไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะกำจัดไม่ได้หมดบางอย่างก็พอจะกำจัดได้บางคนก็อาจจะมีความรู้เก่าติดตัวมากับใจเวลาเกิดความทุกข์ใจก็บางคนก็สวดมนต์ไปหรือปองไปอันนี้ แต่ถ้าไม่รู้จักวิธีก็จะต้องทุกไปจึงต้องมาศึกษาธรรมะธรรสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคาสอนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องกาจัดความทุกข์ทางใจเป็นหลักสอนเรื่องอื่นด้วยที่มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องกับการมาสร้างความทุกข์ทางใจเรื่องของร่างกายก็ทรงสอนเพราะว่ามันมีส่วนที่บาร์ทให้ร่างกายเราทุกข์ ทำให้ใจเราทุกข์ก็เลยต้องสอนเรื่องร่างกายให้เรารู้ความจริงของร่างกายเพราะว่าเมื่อเรารู้ความจริงของร่างกายเราก็จะได้หายทุกข์ความทุกข์ของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนั้นว่ามันเป็นอย่างไรเราทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องศึกษากับเพื่อให้เราเข้าใจว่าทาไมเราถึงต้องไปทุกข์กับร่างกายถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้หายทุกข์ได้ กานที่เราไม่เข้าใจร่างกายเรามองร่างกายไม่ตรงกับความเป็นจริงของร่างกายมันก็ทำให้เราใจของเราทุกข์ขึ้นมาได้เพราะว่ามันไปทำเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงมันจะทำให้เกิดสร้างเหตุที่จะทาให้ใจทุกข์ขึ้นมาเหตุที่จะทำให้ใจทุกข์นี้ก็คือความอยากสามประการที่มีอยู่ในใจของพวกเราเนี่ย อันนี้เป็นเป็นตัวเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับเราที่เราทุกข์กับร่างกายเพราะว่าเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกาย อ, อ, อยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมชาติของร่างกายเราก็อาจจะคิดว่าเราทำได้กันเราคิดว่าเราต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลา ทำให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทําให้ร่างกายไม่ตายแต่ถ้าเราศึกษาธรรมชาติของร่างกายศึกษาร่างกายของคนอื่นที่เขาเกิดมาก่อนเราเราก็จะเห็นว่าร่างกายของทุกคนเเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องเจ็บเดี๋ยวก็ต้องตายไม่ว่าจะทําอย่างไรเลี้ยงดูมันอย่างไรรักษามันอย่างไร มันก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แล้วที่เราไปทุกกับร่างกายก็เพราะอะไรก็เพราะเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมเราอยากให้มันอยู่ไปเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาว <c oughs> แต่มันเป็นไปได้หรือเปล่าเราต้องดูความจริงของร่างกายเมื่อเรารู้ความจริงของร่างกายเราจะได้รู้ว่าความอยากของเรานี่มันเป็น เป็นความอยากที่เป็นไปไม่ได้มีแต่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับเราเท่านั้นเองสู้เรามาหยุดความอยากเหล่านี้ไม่ดีกว่าเลยสู้เรายอมรับความจริงของร่างกายไม่ดีกว่าเลยเราก็ดูแลร่างกายไปแต่เมื่อมันจะแก่ก็ต้องให้มันแก่ไปเมื่อเราห้ามมันไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วดก็ต้องยอมรับมันไปอย่าไปอยากไม่ให้มัน เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้มันหายทันทีทันใดความอยากนี้ความไม่อยากให้มันเป็นนี่มันทำให้ใจเราทุกข์กันไม่ใช่อะไรหรอกถ้าใจเราไม่ไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้มีความอยากให้มันหายปุ๊บปั๊บเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะอยู่กับมันไปดูแลมันไป รักษาพยาบาลมันไปหายก็ดีไม่หายก็ดีเหมือนกันทําอะไรไม่ได้อไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ทําเท่าที่เราทําได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรายอมรับความจริงอย่าไปอยากให้มันเป็นไปเป็นในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นหมอบอกรักษาไม่หายแต่เรายังอยากให้มันหายเราก็จะทุกข์มาก ถ้าหมอบอกว่าต้องตายถ้าเรายอมตายถ้าเมื่ต้องตายก็ต้องปล่อยให้มันตายเมื่อเราห้ามมันตายไม่ได้จะไปทำอย่างไรถ้าไปอยากให้มันไม่ตายมันก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือความรู้ที่เราต้องเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เราไปยึดไปติดกับสิ่งที่มันจะต้อง ขัดกับความอยากของเรานั่นเองบะปกติความจริงของใจเรานี้อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีกับเราไปหมดเป็นประโยชน์เป็นสุขกับเราไปตลอดเวลาไม่สร้างความทุกข์ไม่สร้างความอะไรให้กับเราไม่ทาให้ใจเราต้องเดือดร้อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาตามความอยากของเรามันจะต้อง พลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปเราอยากจะให้ความได้ความสุขจากเขาแต่แทนที่เขาจะให้ความสุขกับเราเขากลับมาให้ความทุกข์กับเราเพราะเขาไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้อยากให้เขาท ำ, ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะเขาไม่ท ำ, ทำไม่ได้เราก็ทุกข์ขึ้นมาเอ็นอยากให้ร่างกายพาเราไปเที่ยวนี แต่ร่างกายบอกไปไม่ไหวเจ็บไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาลไปไม่ได้พอเราไม่ได้ไปเที่ยวมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นแแต่ถ้าเรามองความจริงว่าเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วก็ต้องหัดอยู่อยู่กับเตียงบ้างหัดอยู่กับบ้านบ้งอย่าไปอยากไปเที่ยวปัญหาของเราก็คือเราปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริงของร่างกายไม่ได้ เราพยายามจะปรับความเป็นจริงของร่างกายให้มันเข้ากับความอยากของเราในระดับต้นๆในระดับแรกๆ ก, ก็เราก็สามารถทำได้ช่วงที่ร่างกายยังจเจริญเติบโตยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้เราสามารถปรับให้ร่างกายทำตามความต้องการของเราได้แต่พอร่างกายเริ่มเข้าสู่วัยชรา เข้าสู่ความเจ็บไข้ไ <T> ด้ป่วยเราไปปรับให้มันเข้ากับความต้องการความอยากของเราไม่ได้แล้วเราต้องมาปรับความอยากของเราให้เข้ากับความจริงของร่างกายเราถึงจะอยู่กับร่างกายแบบไม่ทุกได้ร่างกายแกเราก็ต้องอยู่แบบคนแก่ไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอยู่แบบคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปร่างกายตายก็อยู่แบบคนตายไปเนอันนี้แหละ เป็นสิ่งที่เราต้องมาฝึกจิตกันมาปรับจิตกันให้รู้จักอยู่แบบคนแก่อยู่แบบคนเจ็บอยู่แบบคนตายการจะปรับจิตนี่ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญานี่ใช้สติคอยปรับใจใช้ปัญญาคอยบอกว่านี่ถึงเวลาต้องปรับแล้วนะถึงเวลาต้องอยู่คนเดียวนะสมมติว่าเสียคู่ครองไปอย่างนี้ก็ยอยู่สองคนมาเป็นสิบสิบปี ทีนี้เขาจากเราไปแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วเราจะมาอยู่แบบสองคนไม่ได้แล้วถ้าจะอยู่แบบสองคนเราจะรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวคิดถึงเขาทีไรก็เสียใจเศร้าโศกเสียใจเราต้องปรับตัวเองว่าความความจริงของเราตอนนี้เราเป็นโสดแล้วนะเราไม่มีคู่ครองแล้วนะคู่ครองเขาจากเราไปแล้ว เราก็ต้องหัดอยู่แบบโสดถ้าเราหัดปรับตัวเองให้อยู่แบบคนเดียวได้มันก็จะไม่เศร้ามันก็จะไม่เหงาแต่ถ้าปรับไม่ได้มันอยากจะมีเพื่อนแต่เพื่อนคู่ครองนี้เขาไม่กลับมาแล้วพยายามจะคิดยังไงมันก็ไม่สามารถทำให้กลับไปเหมือนเดิมได้แล้วมันก็จะทำให้เราเศร้าใจเสียใจ ว, ว้าเหวเงาขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักปรับใจด้วยสติปรับใจให้อยู่แบบคนเดียววิธีปรับใจให้อยู่แบบคนเดียวก็ทำใจให้สงบนี่เองถ้าใจสงบแล้วจะอยู่แบบคนเดียวได้จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขได้นี่คือความสำคัญของสติความสำคัญของปัญญา ปัญญาจะสอนว่าตอนนี้ถึงเวลาปรับจิตแล้วนะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เ, เรามีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อยู่เรื่อยเห็นหมเมื่อไม่กี่ปีมาเรามีในหลวงคนเก่ า, อาตอนนี้ในหลวงคนเก่าไปแล้วมีในหลวงคนใหม่ขึ้นม า, เ, าเราก็ต้องปรับจิตให้รับกับสถานการณ์อันใหม่เมื่อก่อนเรามีประชาธิปไตยตอนนี้เราไม่มีประชาธิปไตยนะ เราก็ต้องปรับถ้ายังไปอยากจะให้เป็นประชาธิปไตยมันก็จะหงุดหงิดลำคาญใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมีประชาธิปไตยอะไรจะไปอยากให้มันเป็นแบบเก่าอีกก็ไม่ได้อีกแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสถานการณ์การรูกร้การรู้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์นี่เรียกว่าปัญญาและการรู้จากวิธีปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์เรียกว่าสติ อย่าไปอย่าไปเราอยู่ในปัจจุบันสถานการณ์เป็นปัจจุบันอย่าจัดจิตบางทีอยากจะกลับไปเหมือนสถานการณ์ในอดีตมันไม่เป็นไปเพราะอยากแล้วมันทุกข์มันเครียดขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับว่าตอนนี้คือสถานการณ์อันปัจจุบันที่เราจะต้องอยู่กับมันเพราะเราทำอะไรไม่ได้มันเหนือความวิสัยของเรา เนือ ว, วิสัยที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงไปสั่งให้มันเป็นปลายตามความต้องการของเราได้ถ้าอยากให้มันเป็นมันไม่เป็นมันก็จะทุกข์นันนี้คือเราต้องมีปัญญาคอยสอดส่องดูแลสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางทีก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวบางทีก็ต้องอยู่หลายคนเดี๋ยวบางทีก็กลับมาอยู่คนเดียวมันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นขึ้ น, นลงๆ บางทีก็มีเงินเยอะบางทีก็มีเงินน้อยบางทีก็มีตำแหน่งสูงบางทีก็ไม่มีตำแหน่งสูงถ้าเรารู้จักปรับกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ยึดไม่ติดกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันใจของเราก็จะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์การที่จะปรับได้ก็ต้องมีสติ คอดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปอยากอย่าไปไขว้คว้าหาอาดีตที่ผ่านมาแล้วหรืออย่าไปไขว้คว้าหาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยพวกที่อยากจะเลือกตั้งก็ตอนนี้วอยวายกันใหญ่อเอาเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้ว ม, มีนู่นมีนี่อีกแล้วอันนี้ก็ไปไขว้าหาอนาคตกันก็มันยังไม่มามันจะมาเมื่อไหร่ก็ก็รู้เอง ตอนนี้มันไม่มาก็อยู่กับมันไปตอนนี้อยู่แบบนี้ไปเดี๋ยวพอถึงเวลามีวันเลือกตั้งมันก็มาเองไม่ต้องไปไขว้คว้าหาหอนาคตหรือหาอดีตอนาคตหาอย่างไงมันก็ไม่กลับอดีตหาไงมันก็ไม่กลับมาอนาคตไปดึงมันมาถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะมามันก็ไม่มาอยู่ดีอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้แล้ว ใจเราจะสงบใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอั น, นี่คือวิธีฝึกจิตนควบคุมจิตเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดความอยากต่างๆนั่นเองถ้าเราป้องกันไม่ให้ความอยากต่างๆเกิดขึ้นมาได้ใจของเราจะไม่ทุกข์เลยใจของเราทุกข์เพราะเราควบคุมความอยากไม่ได้ พอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาปั๊บใจเราเริ่มหงุดหงิดใจเราเริ่มกังวนกังวายกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีและผู้ที่จะมาควบคุมความ <c oughs> กังวนกังวายความกระสับกระส่ายของเราได้ก็คือสตินี่เอง <c oughs> ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องปรับใจแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะเราต้องปรับตัวเราให้เข้ากับเหตุการณ์อย่าไปมี <c oughs> มีความแตกต่างกับความเป็นจริงให้อยู่กับออกอีกอีกอีกยุคหนึ่งอีกสมัยหนึ่งเอายุคก่อนมาใช้กับยุคนี้เดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาได้ยุคนี้เขาเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปกับเขา คือเราเฉยๆไปก็แล้วกันเราอยากไปต่อต้านเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงความจริงเป็นอย่างไรก็อยู่กับความเป็นจริงไปความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่อยู่กับความอยากกันพออยู่กับความอยากวับพอมันไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์กันแต่ถ้าอยู่กับความจริงแล้วจะไม่ทุกข์เพราะจะไม่มีความอยากมาเปลี่ยนความจริงนั่นเองความอยากมันมักจะชอบเปลี่ยนความจริง <is> ตอนนี้เราไม่มีเงินอยากจะมีเงินอยากมีเงินไปเที่ยวก็จะทุกขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีเงินตอนนี้ต้องอยู่กับการทำงานก็ทำงานไปก่อนทำงานเก็บเงินเก็บทองไปก่อนเดี๋ยวพอมีเงินแล้วทีนี้เที่ยวได้แล้วก็อยากจะเที่ยวก็เที่ยวได้ละก็เที่ยวไปแต่ถ้ายังเที่ยวยังยังไม่มีเงินเที่ยวก็อย่าไปอยากเที่ยวเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เราต้องไปปรับความจริง ไปหาเงินวิธีที่ไม่ชอบไปรักทรัพย์ไปพ้นไปจี้เพื่อที่จะได้มีเงินมาไปเที่ยวอันนี้ก็เรียกว่าเราไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงเราต้องหาเงินด้วยความสุดจริตตอนนี้ไม่มีเงินก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆเพราะเก็บเงินไปก่อนพอมีเงินพออยากจะไปเที่ยวก็ทีนี้ก็ไปได้ความเป็นจริงเปลี่ยนไปล้ ความเป็นจริงจากไม่มีเงินมาเป็นความเป็นจริงที่มีเงินแล้วดนั้นเราต้องรู้จักปรับใจอย่าปรับใจให้เราไปกับความอยากว่ามันจะพาให้เราไปทุกข์ไปวุ่นวายแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าปรับใจให้อยู่กับความจริงแล้วไม่ต้องทำอะไรให้อยู่กับความเป็นจริงไปเฉยๆไปมีหน้าที่อะไรในปัจจุบันต้องทำก็ทำไปตามหน้าที่ทำได้ก็ทำทำให้ได้ ร่างกายมันไม่ทำร่างกายมันเจ็บก็ไม่ทำก็ต้องอยู่กับความเจ็บของร่างกายไปร่างกายตายก็ปล่อยก็อยู่กับความตายของร่างกายไปใจเราอย่าไปฝืนความจริงอย่าไปอยากให้ความจริงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ความจริงย่อมเป็นอย่างนี้เสมอก็อยู่กับหัดอยู่กับความจริงไป ถ้าอยู่ได้ปรับใจได้ก็จะอยู่ได้ในทุกสภาพทุกรูปแบบแก่ก็อยู่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่ได้ตายก็อยู่ได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่ทุกข์กับความอดอยากขาดแคลนได้ไม่ทุกข์กับความ ว, า ว, าาว่าอ้างว่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายได้อยู่คนเดียวได้ถ้ารู้จักปรับใจให้เข้ากับเหตุการณ์นี่คือ คุประโยชน์ของสติถ้าไม่มีสติแล้วจะปรับใจไม่ได้จะถูกความอยากนี่สร้างความกวนกยกระกสับกระสายสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจสร้างความทรมานใจจนทนไม่ไหวต้องไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกำจัดมันซึ่งวิธีที่ทาการก็เสียหายทั้งนั้นไปทำบาปไปไปลักทรัพย์ไปทำอะไรก็เสียหาย หรือไปฆ่าตัวตายก็เสียหายไม่มีวิธีแก้ปัญหาดีเท่ากับการปรับใจของเราด้วยสติให้ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ที่มันปัญหาคือไม่มีสติกันปรับใจไม่ได้ก็เลยถูกความอยากผลักดันให้ไปแก้ปัญหาแบบผิดๆแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาต่อไป นี่คือเรื่องของสติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถที่จะรักษาใจของเรานี้ให้อยู่อย่างปกติสุขได้ไม่ทุกไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับเหตุการณ์ต่างๆได้เพราะเราจะมีสติคอยปรับใจให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นได้อย่างสงบอย่างไม่มีปัญหา ก็ขอให้ท่านลองเอาไปพิจารณาและลองปฏิบัติดูการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคาร เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสัมมิจโตุสัพเเอปุระตุสังกปาจันโทปนะหระโสยธาเมณิโชติหราโสยธาสัพพิตโยวิวาจจันโตสัพพารโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาทนสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุวันโสุขังพลาวันนี้เข้ามาเทาไหร วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยสี่สิบสี่ทสองร้อยสิบห้าวิดีออนไลน์ยี่สิเจ็ดรับฟังข้างบนนี้สี่สิบเอ็ดคนรวมทั้งหมด 27, ห2ร้อยยี่สิบเจ็ดครับเดี๋ยวคุณแม่มีคำถามเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยจะได้หินเสียงเยกีกกวจบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ถ้าเราทําตามใจกิเลสนะคะโดยที่ไม่ผิดศีลและผิดธรรมนะคะแล้วแล้วเราทําไปเนี่ยถือว่าเรามีสติหรือเปล่าคะก็มีในสติระดับศีลไงเรารู้ว่าเราไม่ทําผิดศีลแต่เรายังไม่มีระดับปัญญาที่เห็นโทษของการทําตามความตามกิเลสว่ามันจะนําไปสู่ความทุกข์สู่ความเสียใจในภายหลัง อันนี้เรายังไม่เห็นยังไม่มีสติพอเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะสอนเรารว่าการทำตามกิเลสนี้เดี๋ยวเกิดเวลาอยากจะทำแล้วไม่ได้ทำมันจะเกิดยังไงก็อยากจะไปเที่ยวแล้วเงินไม่มีเงินเที่ยวเนี่ยมันก็จะทุกข์ต้องอยู่กับบ้านอยากจะซื้ออะไรแต่ไม่มีเงินซื้อตามความอยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมา แล้วเราก็ห้ามความอยากไม่ได้เพราะวเวลาทำตามความอยากแล้วมันจะติดนิดสัยมันจะอยากไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าการทำตามกิเลสไม่ดีเราควรที่จะมาหักห้ามจิตใจดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ผิดศีลก็ตามแต่มันก็ยังจะทำให้เราต้องวุ่นวายได้อย่างนี้ แล้วเราก็ต้องดูว่าเรามีสติพอที่จะหยุดมันได้ไหมเวลาที่เกิดกิเลสอยากจะซื้อของอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำอะไรตามกิเลสว่ามันไม่ดีถ้ายังไม่มีสติพอก็สู้มันไม่ได้มันจะมันจะเอาเอามือเราฟักเข้าไปในกระเป๋าโดยไม่รู้สึกตัวแล้ววิธีแก้นะคะท่านอาจารย์อันี้นหนึ่งต้องมีความรู้ประกอบก่อนเหร ว่าการทำายตามความอยากนี้มันมันแม้จะดีตอนต้นคือได้ความสุขใจที่ได้ทำแต่มันจะมีปัญหาต่อไปเวลาที่ทำไม่ได้แล้วอยากทำขึ้นมาเรื อ, อยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเกิดเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็จะทำให้เราเสียใจ <Yeah. S 1> อันนี้ต้องศึกษาด้วยความรู้ก่อนว่าให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คือมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่จรังถาวรไม่แน่นอนมันจะอยู่กับเรานานหรือไม่นานเราไม่รู้แล้วเวลาที่มันไปจากเราไปแลอวมันเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ท่าแต่ถ้าเรา เราทราบแล้วเราปรงได้ถือว่าเราก็ทิ้งท่างหัวมันไปอย่างเงี้ยถ้าปรงได้เราก็ไม่ต้องไปมีมันเลยถ้ามีมันก็แสดงว่ายังปรงไม่ได้ก็งงไม่ทิ้งเนี่ยกิเลสมันหลอกเราถ้าปรงได้พระพุทธเจ้าก็ออกบัวได้ ถ้าปรงได้ยังอยู่ในวังแสดงว่ายังไม่ปองจริงปองแต่ปากปงแต่ความคิดแต่การกระทาตรงกันข้ามกันเนี่ยมันจะหลอกเราเข้าใจยังมันยากเลยเกยเข้าก็ไม่เวลนไรก็อย่างน้อยก็ให้อยู่ในระดับศีลก่อนก็แล้วกัน แม้จะทำตามกิเลสก็อยากให้มันผิดศีลผิดกฎหมายแต่เราจะรู้ว่ามันก็จะได้ความสุขแป๊แบๆแล้วเดี๋ยว ก, ก็ก็จะปล่อยให้เราอ้างวาง้างเปล่าเปี่ยวเดียวดายเวลาไม่มีสิ่งที่เราให้ความสุขกับเราเราก็ต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้ตอนนั้นน่มันจะทรมานใจ ตอนี่ยังมีกําลังมังชามีกําลังทรัพย์อยู่มันก็พอจะหาได้ถ้าเกิดวันใดคืนใดเกิดไม่ขาดกําลังทรัพย์เกิดกําลังกายมันก็จะไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้ขึ้นมาตอนนั้นวันจะเหงาว้าวเวยอยู่ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรให้ทําตามความอยากาานนัขท่จ ทาง Facebook เฟซบุ๊กเนะคะที่บอกเอาเวทนาที่เฉยของเวทนานะคะว่าท่านอาจารย์ตอบว่าแล้วก็กับว่าอุเบกขาเนี่ยถ้าเฉยขางเวทนานี่หมายความว่ามีความรู้สึกว่าเฉยๆแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเฉยทางอุเบกขานี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของใจใช่ไหมคะอะไรยังกันคือเวทนามีสามชนิดเนี่ยทางร่างกาย<ห>เวลาหิวข้าวเนี่ยเราก็เรียกว่าทุกขเวทนาคพอกินข้าวอิ่มล้วก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา ส่วนเวลาที่เราไม่หิวไม่อิ่มก็เรียกว่าเวทนากลางๆคือไม่สุขไม่ทุกเวทนามันก่อนจริงไม่ใช่อุเบกขาเป็นเวทนาแบบไม่สุขไม่ทุกส่วนอุเบกขาจริงๆคือการไม่มีความโลภโกรธหลงใจปราศจากความรักชังกลัวหลงใจนิ่งเฉยเฉยเห็นของที่เคยอยากได้พอมีอุเบกขาแล้วมันจะเฉย ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่เคยยินดียินร้ายด้วยอันนี้ต่างกันอันนี้คือความรู้สึกของทางจิตใจส่วนที่เวทนานี่มันมีความรู้สึกทางร่างกายความร่างกายความรู้สึกทางร่างกายมันจะมีสามแบบทุกบ้างสุขบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างสลับตอนนี้คงไม่สุขไม่ทุกใช่ไหมไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้ก็ไม่ทุก แต่ก็ไม่สุขแบบตอนที่ตอนที่กินข้าวอิ่มๆเลยได้อาบน้ําอาบท่ารู้สึว่ามันมีความสุขมากขึ้นเนี่มันนี่เป็นทางร่างกายมไม่่ใชมันไม่ใช่เป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์นี่ไม่ได้หมายความว่าอุเบกขามันเรียกว่าเป็นอุเบกขานี่คือขั้นสูงสุดของใจอย่างคะ่ะก็เป็นขั้นที่สูงสุดแต่มันมีสองระดับระดับชั่วคราวกับระดับถาอ่นเนี่ยระดับชั่วคราวก็ เวลาเข้าในสมาธิมันก็จะได้อุเบกขาตอนอยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็จะหายไปถ้าอยากจะให้มันอยู่ตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือนอกสมาธินี่ต้องมีปัญญากําจัดตัวที่มาคอยดึงใจงให้ออกจากอุเบกขาก็คือกิเลสความโลภความอยากของเรานี้ ถ้ากำจัดกิเลสหมดก็จะไม่มีตัวดึงให้ใจออกจากอุเบกขาต่อไปใจก็จะเป็นอุเบกขาตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่ข้างนอกสมาธิอันนี้เป็นใจของพระอรหันต์ใจของพระพุทธเจ้า <c oughs> ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดความโลภ กิเลสตอนนี้เราไม่มีกิเลสไม่มีปัญญาถูกความหลงหลอกให้เราว่าทำตาม<ร>ากิเลสย่างดีเป็นเรื่องเรื่องไปค่ะท่าน <laughs> <laughs> ใช่เรื่องที่เราไม่โลภมันก็ทาได้ไอเรื่องที่เราโลภมันก็ทำไม่ได้ไอเรื่องที่เราโกรธก็ทำไม่ได้ไอเรื่องที่เราไม่โลภก็ทำได้ยัง <laughs> ความโกรธนี่ค่ะท่านโอ้อเบีขายาก <laughs> มันก็มาจากความโลภ<ช>เองครับพอโลภแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธอย่างคนเราไม่ได้โลภอย่างคนเขามาดูมาด่าว่าเราไงคะท่านโกรธอะ่ะก็เราอยากให้เขาไม่ด่าเล่า ว, ว่าเราไงถ้าเราอยา้าย้าว่าเราเราก็จะไม่โกรธเราก็จะดีใจเออวันนี้มีคนด่าเราแล้ ว, ลว <laughs> อยากวันนี้ยังไม่มีใครดา่าเราเลยอยากให้เ้าดา่าเรา แต่เราไม่อยากให้เขาด่าเราพอเขาด่าเราเราก็เลยโกรธขึ้นมานั <g> ่น <ül s> เป็นความอยากเนี่ยแสดงวิภาวะตัณหาอยากไม่ให้เขาด่าเราว่าเราะนะมันเป็นความอยากจึงทําให้เราโกรธส่วนความโลภความโลภ ค, ความอยากก็เกิดจากความหลงไปเห็นว่ามันดีไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ดีสัอย่างเดี๋ยวก็ต้องทําให้เราทุกข์ไม่ช้าก็เร็ว แต่เราไม่เห็นด้วยปัญญาเห็น น, น, นั้นก็สวยเห็นนี่ก็น่ารักอยากได้ขึ้นมาไม่เห็นตอนที่มันไม่สวยตอนที่ไม่น่ารักตอนที่มันเก่าแล้วใช่หมใไหมของที่มีอยู่ในบ้านเยอะแยะไม่สวยเลยใช่ไแต่ถ้าของอยู่ในร้านนี่ยังดูสวยงามอยู่ยังน่าอยากได้อยู่มันก็เป็นของกันเดียวกันเพียงแต่พอออกจากร้านมาเข้าในบ้านแล้วมันไม่สวยแล้วไม่น่ารักเหมือนตอนที่อยู่ในร้านนะ <c oughs> เพราะมันเก่ามันเปลี่ยนเนี้ยมันอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงเนี่ยต้องมองอ น, นิจจังให้เห็นเห็นว่าของใหม่ขนาดไหนดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของเก่าเป็นของไม่ดีไปใหม่ๆ ห, หน้าตาจุ๋มจิ๋มพอเก่าก็เป็นสนิมเนี่ยเข้าใจยัง ต้องหัดฝึกดูอนิจจังดูการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเสื่อมเปลี่ยนจากดีไปสู่ไม่ดีต่อไปเราถึงมีกองขยะเต็มบ้านเต็มเมืองไหมกองขยะนี่เราซื้อมาด้วยเงินนะใช่ไหมของต่างๆที่เราไปทิ้งในกองขยะนี่โอ้เราเสียเงินเสือ้อทองซื้อมาเพราะมันดีไหมตอนที่เราไปซื้อมันเนี่ยเราไปไงานเดี๋ยวนี้มันไปอยู่กองขยะแล้วกลายเป็นปัญหาขึ้นมา <c oughs> พอเราไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนสภาพจากดีไปสู่ไม่ดีต่อไปมีอะไรไหมเรื่นความดีอะค่ะท่านบางคนก็บอกไอ้สิ่งนี้ดีอีกคนก็บอกสิ่งนี้ไม่ดีแล้วมันจะความดีจริง ม, ม, มันมีดีแบบดีจริงกับดีแบบ ด, แบบดีเพราะชอบไงมันคนที่ชอบเ้าก็ว่าดีคนที่ไม่ชอบก็ว่าไม่ดี แต่สิ่งที่ดีไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ดีก็มีอยู่เช่นศีลธรรมนี่มันดีจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ดีเถียงกันไม่ได้เนี่นมันมีดีสองแบบดีตามอารมณ์กับดีตามความเป็นจริงเราต้องดูของที่ดีตามความเป็นจริงเอาของที่ดีตามความเป็นจริงอาการลิโกของที่ดีเป็นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลและสมัยตามเวลาคือศีลธรรมนี้ความดีต่างๆ แต่ถ้าแฟชั่นนี่เดี๋ยวมันก็สั้นบ้างเดี๋ยวก็ยาวบ้างใกางเกงกระโปรงนี่บางทีเดี๋ยวมันก็สั้นบางทีก็ยาวเนิกไทยสมัยเด็กๆเราใส่แบบชนิด้อมๆเรียวๆสมัยนี้ต้องใหญ่ฮมันก็เปลี่ยนไปมันก็ดีตามยุคตามสมัยไปดีแบบนี้ไม่ใช่เป็นดีจริงดีจริงมันต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงองนะ เมื่อกี้มีชาวต่างชาติมากลับไปแล้วมั้งลงมากับแฟนนะแฟนชวมนมนไรไม่ฝรั่งเนี่ยอไม่เป็นไรไม่มียก็แล้วไปมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่ากราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องสติเจ้าค่ะ หนูเดินขึ้นบันไดแล้วหนูก็ท่องขวาซ้ายขวาโดยที่ก่อนขึ้นไปตั้งใจจะหยิบของสองสิ่งท่องขึ้นไปจนถึงชั้นบนหยิบของหนึ่งสิ่งท่องตลอดจนลงมาแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าหนูขาดอีกสิ่งหนึ่งอย่างนี้แสดงว่าหนูจริงๆแล้วไม่มีสติหนูท่องจนเพลินใช่ไหมเจ้าคะหนูลืมความจามันลืมได้<อ>ยังต้องคอยเตือนว่าเรากำลังจะไปหยิบของสองชิ้นต้องคอยเตือนไปด้วย หนูขวาซ้าสขวาแล้วหนูก็ต้องมีแทรกขึ้นมาตอนขึ้นไปข้างบนทวนอีกรอบว่าเราจะมาทําอะไรแลัก อ, อตออิของสองสิ่งต้องคอยเตือนใจด้วยควบคู่คไปกับการมีสติกับการเดินค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่ผิดว่าขาดสติใช่ไหมคะใช่ไหมล่ะค่ะมันลืมพอไม่คิดถึงมันมันก็ลืมได้อ้าค่ะถ้าไม่อยากให้ลืมก็ต้องคิดบ่อยๆสมัยก่อนเราถึงต้องมาท่องกอไก่ขอไข่ ท่องประจนมันจําได้มันก็ไม่ลืม breaker, ถ้าท่องหนเดียวเดี๋ยวก็ลืมได้ <các S 1> เด็กเวลาเรียนกอไก่ขอไข่เลยต้องเรียนทั้งปีไหมท่องมันทั้งปีท่องไปท่องมันฝังอยู่ในใจแลมันก็แล้วถ้าเราใช้มันอยู่เรื่อยมันก็จะไม่ลืม <okay. S 1> ถ้าเลิกใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็ลืมได้ของอะไรถ้าเราไม่ใช้มันอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันก็ลืมได้ ขอบคุณเจ้าค่ะมันคนละเรื่องกันเนีนั่นเรื่องสติกับเรื่องความจํามันคนละเรื่องกันอ่ะเชิญก่อนอนุญาตสอบถามพระอาจารย์ครับไม่ทราบว่าวิธีการฝึกสมถภาวนาเพื่อให้ได้มาซึ่งสตินี้ใช้วิธีการยังไงครับเอมันสลับกันเราต้องฝึกสติเพื่อให้ได้สมถภาวนาครับไม่ใช่ฝึกสมถภาวนาเพื่อให้สติให้สติครับ สมัทธาภาวนาจะเกิดผลต้องมีสติถ้ า, ถาจะมีสติก็ต้องให้จิตแล้วเลิอกอยุ่งในอยู่ในปัจจุบันครับอย่าให้จิตลอยไปกับความคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตกด็ดีให้หยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการฝึกยังไงครับอาจารย์ให้เราใช้คําบริกรรมพุโทโธหยุดมันใช้บริกรรมไม่ได้ใช้ลมหายใจใช่ไหมไม่ไม่ขณะที่เราไม่ได้นั่งไม่ต้องใช้ลมหายใจ แล้วระหว่างที่เรานั่งสมาธิอะนั่งสมาธิก็เลือกได้จะใช้คมบริกรรมก็ได้จะใช้ดูลมแทนก็ได้แต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะดูไม่ได้มันก็จะลอยไปคิดเรื่องอื่นถ้ามีสติก่อนมันถึงจะอยู่กับลมหายใจได้ถ้าในช่วงแรกเราใช้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆพ อ, อได้ความสงบสยะหนึ่งแล้วเราก็เป็นดูลมหายใจได้ไหมครับได้ โดยจะพูดโทไปอย่างเดียวก็ได้ได้ทั้งสองอย่างโอครับขอให้ใจเราหยุดคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ครับครับต้องฝึกตั้งแต่ก่อนที่จะมานั่งถ้าไม่ฝึกก่อนเวลามานั่งมันจะหยุดความคิดไม่ได้อืมถึงต้องฝึกสติให้มากๆกก่อนที่จะมานั่งถึงจะนั่งได้ผลถ้าไม่ฝึกสติมาฝึกตอนที่นั่งมันไม่เวลาไม่พอ เหมือนเราจะหยุดรถนี่เราต้องเหยียบเบรกก่อนที่เราจะจะหยุดตรงจุดที่เราต้องกา ร, รถ้าไปเหยียบหยุดเบรกตอนที่จุดที่เราต้องการหยุดมันเลยไปแล้วครับถ้าเรามาฝึกสติตอนที่มานั่งนี่มันจะไม่สง บ, บนั่งได้เดียวเดียวมันก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดขึ้นมาแล้วก็นั่งต่อไปไม่ได้ครับ เนี่ยเราต้องหมันฝึกสติทั้งวันทำอะไรก็ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธพุทโธแล้ว อ, อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ อ, อย่าให้ไปอดีตอย่าให้ไปอนาคตครับเข้าใจครับคำถามจากทางบ้านนะครับทางเฟซบุกคุณจิตนภา พระพุทธรูปอยู่ที่บ้านแต่เราไม่เคยเอาข้าวน้ำถวายเลยทำอย่างนี้ผิดหรือถูกเจ้าคะก็ท่านตายหรือเปล่าไม่ได้กินข้าวตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายก็ไม่ผิดท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรอยังอ้นวนท้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพระพุทธรูป ควรจะไปขัดให้มันเงาให้มันสวยดีกว่าบูชา อ, อย่าปล่อยให้มันค้ำหมองบางพระพุทธรูปบางบ้านนี่ไม่ได้ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างกันเลยทำกันแค่ปีละหน่ยก็มีธรรมเนียมช่วงเข้าช่วงวันสงการให้ไปสงน้ำพระเพลื่นก็คือให้ไปทำความสะอาดพระที่มีอยู่ในบ้านเราเน่แหละ ที่เราตั้งไว้ไม่เคยไปปัดฝุ่นไม่ไปเคยไปเช็ดไม่เคยอะไรเลยแล้วปล่อยให้ท่านดูแล้วคล้ำเศร้าหมองมัวมไม่สดใสเบิกบานไม่ผ่องใสต้องทำให้ดูมันดูแล้วหน้าดูตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นแบบทองเหลืองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดทองต้องคอยมาขัดอยู่เรื่อยขัดจนเบื่อเลยจ้างเข้ามาปิดทอง นี้ปิดทองหนะ้าที้ก็ไม่ต้องมาขัดเนี่ยปิดหนเดียวก็เพราะการลงรักปิดทองนี้เป็นการรักษาให้ท่านดูใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นทองเหลืองนี่ปล่อยไว้ทักพักเดียวมันก็มันก็หายแล้วถ้าอยากจะให้พระดูแล้วอ่สวยงามเราก็ต้องหมั่นอขัดทองเหลืองอยู่เรื่อยเขาถึงมีธรรมเนียมอส่งน้ําพระ คามจริงไม่ให้ไปส่งน้ำพระสงฆ์กันที่ทํากันแบบทุกวันนี้หรอก๋ยวนี้ไปจับพระสงฆ์ไปนั่งเป็นแถวแล้วก็ญาติช้องก็เอาน้ําไปรดพระพาไปน้อยยเนี่ยต้องไปเปียกปอลกับญาติคารจริงงานส่งน้ําก็คือให้เราไปทําความสะอาดพระพุทธรูปที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยทําความสะอาด แล้วก็อย่าไปทำตีละครั้งทำอยู่เรื่อยๆให้มันดูสะอาดให้ดูสวยดูงามไม่ต้องเอาน้ำเอาข้าวไปวางเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามต่อไปจากคุณสิริลูกปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านมาสักระยะแล้วพอมีความสบายใจบ้างแต่พอเวลาไปข้างนอกพบปะกับเหตุการณ์ต่างๆทำไมจึงมีความทุกข์มากครับ เราไม่เอาอาวุธติดตัวไปเราไม่เอาสติปัญญาติดตัวไป เ, เวลาไปเจออะไรนี่เราต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวถึงจะทันกับเหตุการณ์เจอใครก็บอกอันนี้จังทุกขังอนัตตาน ะ, อ, ะอย่าไปอยากอย่าไปอะไรกับเขาน ะ, เ, ะเขาเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้นะไปเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเพราะมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตา มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปควบคุมไปสั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้อันนี้เราต้องมีปัญญาประกบไปด้วยแล้วมันถึงจะไม่วุ่นวายใจแต่สติหรือถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องฝึกสติพอใจจะไปวุ่นวายก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลังเห็นอะไรกำลังดูอะไรกำลังทําอะไรแต่อย่าไปวุ่นวายกับสิ่งที่เรากาลังเห็นกาลังดูอยู่ ให้พุโทโธพุโทโธไปถ้ามันจะเริ่มวุ่นวายใจใช้สติก็ได้ใช้ปัญญาได้ยิ่งดีใช้ปัญญาก็จะปล่อยวางให้เหตุการณ์เป็นไปตามเรื่องของมันเรารักษาใจเราตัวเดียวไม่ให้วุ่นวายก็พ อ, อคำถามต่อไปจากคุณวิรัตผมมีลูกและภรรยาแล้วถ้าผมไปบวชจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมครับ ก็แล้วแต่ว่าคุณมีภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเขาหรือเปล่าถ้ามีภาระหน้าที่ถ้าทิ้งหน้าที่นี้ก็เป็นถือว่าเป็นการเห็นกับตัวแต่ถ้าคุณไม่มีภาระ ห, าหรือคุณสามารถมีอะไรมาทําหน้าที่แทนคุณได้จะมีเงินสักสิบล้านร้อยล้านทิ้งให้เขาอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าทิ้งประสาทสามฤดูให้ลูกเมียอยู่อย่างนี้ ก็ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาก็ยังได้รับการดูแลเลี้ยงดูอยู่เหมือนกับตอนที่เราอยู่กับเขาเอ็นก็ต้องอยู่ว่าเราเราเราเราับ เ, เ, เลยหน้าที่ของเราหรือเปล่าถ้าเรามีทําหน้าที่ของเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นมีตัวแทนมีของที่จะสามารถที่จะดูแลเขาได้เราไปแล้วเขาไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่เป็นการเห็นแก่ตัว คำถามต่อไปจากคุณไอซ์เบอรี่คนที่มีโมหะจริตหลงในความคิดและความรู้สึกของตัวเองควรแก้ไขอย่างไรคะก็ต้องคบบัณฑิตคบคนที่ฉลาดคนที่รู้ให้คอยสอนคอยบอกให้คิดในทางที่ถูกที่ควรแต่คนมีความหลงมักจะไม่ยอมเข้าหาคนอื่นปัญหาอยู่ตรงนั้นเพอหลงแล้วก็คิดว่าตนเองฉลาดตนเองเก่งก็ไม่อยากจะเรียนรู้จากใคร คนหลงคนหลงจะแก้ปัญหาตัวเองได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าตนเองหลงถ้ายังคิดถ้าไม่คิดว่าตนเองหลงคิดว่าตนเองฉลาดคิดว่าตนเองเก่งก็จะไม่เข้าหาคนที่รู้จริงเห็นจริงที่ฉลาดจริงคำถามต่อไปจากคุณนัทธวุฒิ การเจริญภาวนาแบบไหนที่เราจะแน่ใจว่านี่ไม่ใช่เรากำลังโมโนฟุ้งซ่านไปเองคิดไปเองไม่ใช่ที่เข้าใจตามทฤษฎีที่ได้รู้ได้ฟังมาไม่ใช่เพราะความสบายจากการเจริญสมาธิครับถ้านั่งสมาธิถ้าจิตสงบนี้มันก็เป็นของจริงะมันไม่ใช่ขออภัยมันไม่ได้เป็นการมโน มโนโแบบนั่งกินเล่าแล้วก็คิดไปว่ากูตอนนี้เข้าชาตหนึ่งชาติสองอย่างนี้นถึงเรียกว่ามโนออก็ต้องปฏิบัติมันถึงจะเข้าถึงความจริงไม่ใชได้เป็นความคิดะความคิดก็คิดว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วจะได้นู่นได้นี่อันนี้เป็นมโนแต่้าใช้เป็นความจริงก็ต้องนั่งนั่งแล้วก็ต้องควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจ แล้วพอใจเข้าสู่ความสงบมันก็จะเป็นของจริงมันไม่ได้เป็นมโนล่ะการปล่อยวางก็เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้โยมพูดนว่าเรายังอยู่กับเขาอยู่งี้แต่เราไม่ยึดไม่ติดนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกถ้าเราไม่ยึดไม่ติดก็จะไปอยู่กับเขาทําไมตั้งให้เขาปล่อยเขาไปแยกกันอยู่เป็นคนละทิศคนละทางมันถึงจะไม่หลอกตัวเองไม่มโนแต่อยู่กับเขาแต่บอกฉันไม่ยึดไม่ติดฉันไม่รักไม่ชอบไม่อะไรเขา แล้วไปอยู่กับเขาทำไมใช่ไหมมันขัดกันความคิดกับความจริงมันขัดกันอย่าเราต้องดูความคิดของเรากับความจริงของเราว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าคาถามต่อไปจากคุณจตุรน <Okay. S 2> ควรวางตัวอย่างไรในสังคมหรือครับถ้าคลุกคลีกันก็คิดถึงกันแล้ววุ่นวายไม่มีเวลาปฏิบัติถ้าห่างเหินกันจนเกินไปก็เหมือนเกรงใจกันครับ okay. อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดของคุณเองทําไมต้องไปเกงใจกันทําไมเวลาคุณไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคุณเกงใจใครหรือเปล่าใช่ไหมเวลาคุณไปทํากิจที่จําเป็นจะต้องทํานี่คุณก็ไม่ไปเกงใจใครนั้นเวลาที่คุณไปปฏิบัติธรรมก็ไปทํากิจที่จําเป็นเป็นเหมือนกับเป็นการรักษาใจการปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนกับการรักษาใจ การไปโรงพยาบาลก็เป็นเหมือนกับการรักษาคร่างกายเวลาเขา้าไปโรงพยาบาลคุณเกรงใจเขาหรือเปล่าบอกแหมเกรงใจเขาแล้เกินไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจไม่ไปดีกว่ า, างี้ได้เปล่าไม่ได้ใช่ไหมถึงเวลารักษาพยาบาลนี่ต่อให้ช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่ต้องไปก็เหมือนกันเวลาเราไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนไปโรงพยาบาลไปรักษาใจทีนี้เรามีช้างคือกิเลสมันคอยดึงเราไว้นั่นนี่ มันคอยหลอกเราว่าไปแล้วไปทำให้เรารู้สึกเกงใจเขาต้องทิ้งเขาปล่อยเขาให้เขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้มันนี่เป็ น, เ ป, นเป็นความคิดที่หลอกเราเป็นความคิดที่ไม่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงคำถามต่อไปจากคุณวิการนั่งสมาธิแล้วภาวนาพุทโธ บางครั้งการภาวนาทำไมจึงเหมือนภาวนาไปด้วยดูลมหายใจไปด้วยแบบนี้เราต้องแยกวิธีการภาวนาพุทโธจากการดูลมใช่ไหมเจ้าคะก็คนไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนคุณจะเอาอย่างไรปล่อยให้ใจทำไปตามอารมณ์มันก็สลับไปสลับมาคุณก็ต้องมีหลักมีกฎมีเกณฑ์ตอนนี้จะพุทโธอย่างเดียวก็ต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียว จะดูลมอย่างเดียวก็ต้องอยู่ดูลมอย่างเดียวหรือจะพูดเข้าโทออกก็ต้องพูดเข้าโทออกอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีวินัยให้อย่าปล่อยให้ใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์เพราะมันจะทำให้ไปไม่ถึงไหนคำถามต่อไปจากคุณแบงค์ความขี้เกียจมาจากไหนและความอดทนมาจากไหนครับมาจากใจนั้นแะ อยู่ในใจเราความขี้เกียจความอดทนก็อยู่ในใจเราอยู่ที่ว่าเราจะปลูกฝังอย่างไหนส่วนใหญ่เราชอบปลูกฝังความขี้เกียจมันก็เลยมีมันก็เลยมีความขี้เกียจเหมือนนาเนี่ยพื้นที่แผ่นดินเนี่ยมันจะปลูกอะไรก็ได้ใช่ไหปลูกข้าวก็ได้ปลูกดอกไม้ก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้ปลูกขนุนไม้ก็ได้อยู่ที่เราจะปลูกไงใจเราเหมือนแผ่นดิน สิ่งต่างๆที่ออกมาจากใจก็สิ่งที่เราปลูกฝังไว้นั่นเองเราปลูกฝังความขี้เกียจมันก็มีแต่ความขี้เกียจโผล่ขึ้นมาเราปลูกฝังความปลูกฝังความขยันก็มีแต่ความขยันโผล่ขึ้นมาปลูกฝังขันติมันก็จะมีขันติโผล่ขึ้นมาของพวกนี้มันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องปลูกฝังกันสติก็เหมือนกันถ้าเราปลูกฝังสติเราก็จะมีสติขึ้นมาปลูกฝังปัญญาเราก็จะมีปัญญาขึ้นมา ปลูกฝังสมาธิเราก็จะมีสมาธิอยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่การปลูกฝังของเราตัวอย่เรามักจะไปไปปลูกฝังให้เรื่องที่ไม่ดีต่างๆปลูกฝังความขี้เกียจปลูกฝังความอ่อนแออย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาปลูกต้นไม้ชนิดอื่นแทนปลูกฝังความขยันปลูกฝังความอดทนอดกลัน้นอย่างนี้ หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถามได้นะเพราะถ้าเดี๋ยวไม่ถามเดี๋ยวจะปิดประชุมพูดผ่านทางไม้หน่อยแล้วหลวงตามหาบวยใช้วิธีการฝึกแบบไหนครับตอนตอนน้นท่านก็อาศัยถูกบังคับให้บวชแต่ตอนนีน้ท่านก็ไม่อยากจะบวชทีนี้วยความเขารอพ่อแม่พ่อแม่ท่าน มีลูกชายหลายคนแต่ไม่มีใครยอมบวชให้ท่านก็เลยมาหาที่หลวงตาบอกมึงคนเดียวที่กูพอจะพึ่งได้พอได้ยินอย่างนี้ในกําลังกินข้าวอยู่ท่านบอกท่านไม่กินเลยเดินหนีเลยสวยแล้วกูก็เลยไปนั่งคิดอยู่สามวันสามตลบในที่เสุดบอกอไปบวชมันก็ไม่ได้ไปติดคุกติดตารางตรงไหนเนี่ยวะ่ะอ้าวทำเพื่อพ่อแม่ก็เลยยอมบวชเนี่ยท่านทําด้วยความกระตันอยู่ ้ความเขารบพ่อแม่ตัวเองไม่อยากทำท่านก็เล่าให้ฟังเรืเ่อยการฝึกของของหลวงตามหาบัวนี่ท่า น, านตา ม, ตามหาบัวท่านสอนสอนยังไงให้ฝึกเราฝึกสมาธิยังไงครับก็ฝึกตามที่พระพุทธเจ้าสอนฝึกสติก่อนเนี่ยต้องฝึกสติก่อนถึงจะมีกำลังที่จะนั่งสมาธิได้เหมนต้องฝึก เอากำลังก่อนถึงจะสามารถยกของหนักได้ถ้าไม่ฝึกออกกำลังกายเพราะกายยกของมันก็จะไม่มีกำลังครับสตินี่เป็นตัวสำคัญที่สุดในการพัฒนาธรรมทั้งหลายทั้งปวงต้องเริ่มที่สติก่อนอต้องคอยควบคุมใจให้นิ่งให้อยู่ปัจจุบันอย่าให้มันปรุงแต่งฟุง้งซ่านอย่าให้มันคิดไปอดีตอนาคตเนี่ยอ๋อครับ โดยการใช้คําบริกรรมพุทโธก็ได้หรือดยการจดจ่อดูการกระทําต่างๆที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะเกิดสติขึ้นมาพอมีสติก็จะนั่งสมาธิควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ครับพอมีสมาธิก็สามารถดึงใจให้ไปคิดทางปัญญาได้ครับมันเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจแล้วครับนี่นะมีเข้ามาอีกไหมถามอีกใช่ต่อไป คำถามจากคุณนัทวุฒิหากพูดถึงบุญบา ร, รมีแล้วการเจริญสมาธิโดยการสวดมนต์ยาวๆกับการเจริญสมาธิโดยการนั่งนิ่งๆโดยทั้งสองแบบเราสามารถทําจิตให้เบาได้เหมือนๆกันแบบไหนจะมีบุญบา ร, รมีหรือสามารถเป็นประโยชน์ต่อไปได้มากกว่ากันครับอ๋อการสวดนี่มันจะได้ความสงบในระดับต่างกว่าความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิ เช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธนี่มันจะสงบลึกกว่าแต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังเข้าถึงระดับนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้การสวดมนเพื่อให้เราผ่านระดับต่ำไปได้ก่อนถ้าเรานั่งดูลมไม่ได้นั่งแล้วฟุง้งซ่านนั่งพุโทโธไม่ได้เพราะจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวดมนไปก่อนนั่งสวดมนไปยาวๆสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็จะลดภาวะความคิดปรุงแต่งให้เบาลงน้อยลง แล้วถ้าเราอยากจะไปลึกกว่านั้นเราก็ลองนั่งดูลมหายใจต่อไปหรือพุทโธต่อไปมันก็จะสามารถเข้าไปสู่ความสงบที่ลึกเข้าไปได้มันมีความจาเป็นทั้งสองระดับถ้าเรายังไม่ผ่านระดับแรกเราก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนถ้าใจเราฟุ้งมากคิดมากให้ดูลมไม่ได้ให้พุทโธไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อน พอสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วสังเกตดูว่ามันเบามันสบายขึ้นลองมาดูลมต่อถ้ามันไม่ไปคิดอะไรดูกับลมได้ก็เดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบที่ลึกเข้าไปกว่านั้นหมดนั้นแหละถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ